พอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวทุมกำลังนำเสนอเกวัตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยคำกราบบังคมทูลของท่านคือบดีชื่อว่าเกวัตตะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้า มอบหมายให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ทั้งสามประการความเป็นมาของท่านนั้นพระาอาจารย์เล่าว่าท่านเป็นบุตรคืนอดีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์ถึงสี่สิบโกศ ก็หมายความมา400ล้านจึงมีฐานะมัง่งคั่งแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ท่านก็คิดว่าถ้าว่าจะมีภิกษุสักรูปหนึ่งแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งนักบวชในสมัยนั้นไม่สามารถจะแสดงได้ แล้วก็จะนำคนเข้ามาศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเป็นนั้นมากถ้าถามมรคำความคิดความพันนั้นถูกต้องไหมที่จริงก็ถูกต้องแต่ก็จะไม่ยั่งยืนให้ลองสังเกตว่าในสังคมเราแม้ในปัจจุบันพระรูปใดที่ได้รับข่าวเล่าลือ หรือมีการสร้างกระแสข่าวให้เห็นว่ามีฤทธิ์มีอนุภาพอย่างอัศจรรย์เจ่นว่ารู้วารจิตของคนรู้วมีตาที่ผูกทิพรู้วมียานอย่างรู้ในเรื่องต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสร้างกระแส เป็นแนวของธุรกิจแล้วก็ต้องการหาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการตื่นข่าวของสาสนิกที่ลงไหลในเรื่องเหล่านี้บางครางบางคราวก็เลยเถิดไปจนถึงไปโปรโมทเพื่อเครื่องรางของขลัง ยัที่มีคราวหนึ่งมีการโปรโมทพระอาจารย์ขลังศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของปรัชัาขิ ด, ดซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกสตว่าท่านรูปนี้ก็มรณภาพไปแล้วแต่ตอนนั้นก็มีกระแสะแรงมากคนก็แห่แห่กันไปเพื่อดู อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆที่ท่านแสดงโดยเฉพาะอิทธิฤทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของประหลัดขิดเราก็จะพบว่าคนที่ไปนั้น่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ค่อนข้างจะหลงทางในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าไปให้ความสำคัญแก่ วัตุที่เป็นเครื่องรางของขลังแล้วก็นอกพระธรรมวิานัยซะด้วยจากหมนั้นก็มีคนมาสัมภาษณ์ก็บอกว่าด้วยพลังของความเชื่อเนี่ยมันจะมีอาการอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเชื่อซึ่งแน่นอนมันก็เป็นอาการเขาตัณหา หนาคือความอยากเชื่อตามกระแสที่มีการปลุกราวกันหนาหูสะสมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลังศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านั้นแล้วกอกลายเป็นอุปท า, านคือความยึดมั่นถือมั่นบางคราวเราก็เห็นว่าเป็นอุปท า, านในลักษณะหมู่ ยังเคยมีข่าวเรื่องหลวงพ่อขังศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องสักสกนะครับสักรูปอะไรต่างๆเลเวลาหลวงพ่อก็ทําพิธีกรรมคนเหล่านั้นก็สะสมอุปทานเอาไว้ว่าตนนั้นสักสิ่งนั้นสิ่งนั้นเห็นว่าสักหนุมานสักเสือสักลิงสักอะไรๆๆต่างๆ ก็แสดงอาการออกมาวัดไเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะฮะเพราะตอนนั้นมันถูกปลุกเล่าบเออคนนั้นก็สักฮนุมานก็แสดงออกมาเป็นรูปฮนุมานเราสักวานนอนเราสักเป็นลิง เราก็คงจะแสดงเนุด้วยแล้วในที่สุดมันก็คล้อยตามถูกโน้มน้อมนโน้ม น, น, น้าวจิตใจให้คล้อยตามไปก็แสดงกันเป็นการใหญ่แต่ข้อที่น่าสังเกตว่าจะมีพี่เลี้ยงคอยคุมทำให้พี่เลี้ยงเหล่านั้นสักหรือเปล่าก็ตอบประศัก์เอาสักแล้วทำไมไม่ขึ้นล่ะทำไมไม่ขึ้นเหมือนกับเพื่อนเพื่อนเขาล่ะ ทีนี้การขึ้นออกไปแสดงกริยาท่าทางอารวาทตามวิถีวิธีแบบสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เขาสัตว์ไปเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามเราได้ประโยชน์อะไรอาสมมติเราคงกรพันชาตีคงกรพันชาีแลวมันได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้คนเกิดอาการไปยองลำพองหรือว่าตัวเองคงกรพัญชาตี ยิงไม่ออกควันไม่เข้าก็กลายเป็นนักเลงหัวไม้เกกะร้ารานแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีข่าวที่เกี่ยวกับคนซึ่งสัก์ก็ดีพกเครื่องรางของขลังต่างๆก็ดีเกิดวุัตเหตุตายบ้างถูกยิงตายบ้างเพราะว่าไปประพฤติตนเป็นโจร ซึ่งตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเนี่ยเมื่อโรงแรมรอยันพราซาทีโคราชถลม่มมีคนบาดเจ็บล้มตายกันเยอะคราวนั้ น, นตึกก็พังลงไปก็ทำให้หลวงพ่อรูปหนึ่งดังขึ้นม า, มากโดยไปทึกทักเอาว่าคนที่แขวนเหรียญหลวงพ่อเนี่ยจะปลอดภัย คนที่ไม่ได้แขวนเหรียญก็ตายแต่ก็ไม่มีการตรวจสอบที่คนไม่ได้คนคนแขวนเหรียญแต่ตายถึงตรวจสอบเจอเขาก็ไม่พูดก็เป็นการโปรโมทให้หลวงพ่อก็ดังไปโดยอัตโนมัติจนถึงบางครั้งบางคราวลูกศิษย์ขับรถไปก็เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บก็มีล้มตายก็มี ลูกศิษย์ก็รู้สึกข้องใจสงสยัยก็มาถามลุงพ่อลุงพ่อท่านไม่คิดอย่างที่คนหล่อนนั้นคิดท่านให้ในฐานะเป็นขวัญเป็นกำลังใจเท่า น, นั้นเองคอยอบอุ่นใจให้นึกถึงพระไว้ให้นึกถึงสีให้นึกถึงธรรมในรักษาศีลห้าลุงพ่อถามมืที่เกิดอุบัติเหตุนี่แกขับรถ ความเร็วเท่าไหร่เขาบอกว่าร2 0บ้างร้อยกว่านั้นบ้างหลวงพ่อบอกเ้ยกระโดดลงได้ตั้งแต่มันขึ้นถึงแ0แล้วแต่ก็ผู้ที่เล่นที่จริงอะ่ะแต่หมายความว่ามันคุ้มครองไม่ได้เราแม้จะมีผู้คุ้มครองเพราะในอิติิฐ เราลองสังเกตว่ามีไหมที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารเป็นการทำตามคำอาราธนาของชาวบ้านที่เรียกว่าอนุปสมบันสมัยนั้นก็มักจะแต่งชุดขาวอย่างคล้ายๆกับอินเดียในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเนิมแต่งชุดขาวกัน ก็ไม่เคยพบนะพบแต่การกระทาของภิกษุบางรูปเช่นภาษากตะต้องการจะทระมานคนซึ่งไบหลงไหลคลั่งคลายอยู่กับท่านโสนะโอลิวิสะซึ่งพื้นท้ามีคนก็ถือว่าเป็นคนที่แปลก ผิวทาวางมากเราก็ต้องการจะนำมาอวดให้พระราชาได้เห็นภาษากาตาท่านเห็นว่ามันก็ออกนอกลูกดวกทางไร้สาระท่านก่แสดงอิทธิปฏิหารตัวนี้แหละแนวอิทธิอิทธิฤทธิ์นี่แหละลอยขึ้นไปในอากาศบ้างนั่งอยู่กลางอากาศบ้าง ดำลงไปใต้ดินบ้างแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นทาให้คนตื่นเต้นกันกเห็นว่ามันเหนือกว่าคนซึ่งมีขนที่เท้าแล้วก็เบียงเบนความสนใจจากนั้นไปจุดถึงจุดหนึ่งท่านเหาะลงมาจากอากาศแล้วก็ดำลงไปในดินแล้วก็ไปโผล่แทบพระพักของพระพุทธเจ้า แล้วก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าคนก็ตื่นเต้นเห็นว่าขนาดลูกศิษย์เนี่ยนึกว่ายิ่งใหญ่แล้วท่านผูน้นี้แต่ว่าปรากฏว่าเป็นลูกศิษย์ของมหาสรรมณะองค์นี้เพราะอาจารย์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็เข้าไปพิสูจน์ทดสอบกัน แต่เวลาคนเหล่านั้นไปปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์แต่ทรงแสดงอนุสาสนิปาฏิหาริย์เพราะสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยว่าคือศรัทธาความเชื่อ ม, มั่นในพระาสาเนี่ยมันถูกโอนย้ายมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าคนคนเหล่านั้นก็คืออยากจะ สัมผัสพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็เกิดวิริยะคือความเพียรเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเขาก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดระลึกรู้เกิดพิจาจรณาจิตใจก็สงบเป็นสมาธิแล้วก็บรรลุมรผลกันแม้แต่พระโสนะโกริวิสาเองก็ออกบวช และต่อมาก็เป็นพระหัมที่รับการยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านของการบำเพ็ญเพียรทีนี้ถ้าหากว่ามีการใช้ให้แสดงก็เป็นเรื่องพระภิกษุภิกษุณีที่มากราบบังคมทูลลาเพื่อนิพพานไม่ว่าใครก็ตามพวกพระอานนท์พวกพระมกขลานะ ปุกพนางมหาประชาบุดีโคตมีพัฒากัจานาอะไรแต่อะไรต่างๆแต่ท่านก็แสดงปฏิหารถาวายพระพุทธเจ้าแต่เป็นการแสดงท่ามกลางพระสงฆ์ก็เราไม่รู้ละมีชาวบ้านแอบดูอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นเจตจำนงของท่านที่ต้องแสดงต้องการแสดงถึง อรหันตะคุณว่าคุณคนท่านที่บรรลุมรคนเป็นพระหันนั้นที่ไม่แสดงให้ปรากฏเนี่ยมีเยอะก็ปลูกฝังศรัทธาในภิกษุทั้งหลายที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นการแสดงยมกปฏิหารนั้นแน่นอนว่าชาวบ้านตรงแหกันมาดูมากมายกายกาเกาะ แต่ว่าก็ทรงสแสดงสาความประสงค์ของพระองค์จะ ป, ปรารถนาที่จะทรมานพวกอัญญะดิรกชีคือนักบวชนอกศาสนาเพราะว่าคนนี้เที่ยวโอ้อวดเที่ยวท้าทายพระพุทธเจ้าไปทุกคนทุกแห่งเป็นทางการต้องการกำราบเพราะว่ามันเป็นบาป ที่เขาไปพูดนะ่ะโกหกหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ไม่จริงมันก็เป็นบาปนะฮะคือเจตนาที่เป็นอกุศลใครทำกับใครไม่สำคัญอะไรหรอกไม่ใช่เราไไม่ใชเ่เราอยู่ในศาสนาหนึ่งแล้วจะฆ่าคนศาสนาอื่นได้ไม่บาปไม่ใช่อย่างนั้นคือเจตนาที่เป็นบาปนั้นทาก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดี มันก็เป็นบาปสมบูรณ์คลผู้นั้นแล้วก็เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในเรื่องที่ไม่จริงก็ยิ่งบาปใหญ่คือไม่จริงนี่มันบาปอยู่แล้วแล้วก็กล่าวตู่พระพุทธเจ้าก็ยิ่งบาปกันใหญ่ก็ปรารถนาที่จะอนุเคราะห์แก่นักบวชนอกาศาสนาเหล่านั้นอย่างน้อยท่านก็จะอยู่สํารวมระหว่ัง ไม่กล่าวตูพระพุทธเจ้าไม่ไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านก็หยุดบาปเอาไว้อย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแหละทีนี้อย่างในกรณีที่แสดงปาฏิหารถึงสามพันห้าร้อยปาฏิหารซึ่งถือว่ามากที่สุดในสถานะของ ท่านอุรุเวลากัะสปะและบริวาร500รูปที่อุรุเวลาเซนานิคมก็เป็นการแสดงกับนักบวชนะครับเป็นการแสดงกับนักบ ว, วกชผู้ชดินคนเหล่านั้นพอเห็นก็ยอมจำนนแล้วประตะกรเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อะไรต่างๆอยู่มาก แต่พอเห็นพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ยอมจำนดแล้วก็มอบตนถวายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจุดบรรลุมรรคผลกันไปตั้งพันรูปทั้งหมดเนี่ยทั้งบริวารของอรูเวลากระสปะนาทีกระสปะขยะกระสปะแต่นี่ปฏิหารบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะอิทธิปฏิหารนั่นแหละ เช่นว่าทำสิ่งที่ไม่มีให้มีหรือ ท, ทำสิ่งที่มีให้ไม่มีอันนี้ก็เคยที่ทำค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าเศรษฐีไม่รู้หรอกตอนแกนรู้ก็เป็นประสูรบันไปแล้วแรือตอนที่พ่อของพระยศ ะ, ะตามพระยะสะไปที่อิสิปตนะมฤุธขายาวัน หลังจากที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุปิกถาริยสัตสีแก่พยาศาสจบลงแล้วท่านบรรลุมรรคผลเป็นระโสดาบันไปแล้วเจทีมาเห็นว่าพุทธเจ้าก็เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าประมาณสำนาพระองค์เห็นยศคุรบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมตอนนั้นยศก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ นั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่พระเจ้าก็ทรงดลบันดาลไม่ให้เห็นรับสั่งเพียงแต่ว่าท่านจะนั่งลงที่นี่เถอะจะรอจะเห็นยสะกุลบุตรในที่นี้ท่านก็ปรุงใจได้ทีนี้การปรุงใจได้เราจะเห็นว่ามันเป็นการเป็นปาฏิหารประเภทอาเทศนาปฏิหาร จะรสภาพทางจิตของท่านเศรษฐีว่ามันมีความสงบวางใจในพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อมั่นว่าจะเห็นยาาักษากุลบุตรในสถานที่นั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะแนวเดียวกับที่แสดงกบยสะากุลบุตรท่างฝังแล้วก็บรรลุโสดาปฏิพลณ ทีนี่เป็นพระโสะดา บ, บันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนคือมีความเห็นที่สมบูรณ์พระเจ้ า, าก็ส่งค่ายฤทิ์ให้อายสากุลระบุตรก็อยู่ในที่นั่งนั่นเองแต่ว่าปรากฏเกิดสายตาของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีหันไปเห็นข้าวก็บอกเล่าเรื่องครอบครัวชีกำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ ประการหายตัวของยศะแล้วก็ขอให้ลูกกลับบ้านเพื่อให้ชีวิตแก่บันดาแก่พัญญาพุเจกาไรับสับ่งเล่าให้ฟังก็เป็นนยยะให้รู้ว่าเวลาเนียยศะกุลบุตรบรรลุมัคคุเป็นพระหัรแล้วท่านคิดว่าควรแก่การอยู่ครอ บ, คร อ, บ, ค, รอบครองเรือนอีกหรือท่านศรษฐีก็เข้าใจ เพระเจตนาของท่านเครือบอดีเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เป็นเจตนาที่ดีของท่านเกวัตเนี่ยเป็นเจตนาที่ดีแต่ว่าไม่ใช่วิธีการที่พึงประสงค์เพราะคนจะฝากชีวิตไว้กับท่านที่แสดงฤทธิ์ได้แล้วก็ละเลยอนุสาสนีปฏิหาร ประการสืบต่อพระพุทธศาสนาจริงๆมันเป็นการสืบต่อด้วยความอัศจรรย์แห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ตามหลักของพระธรรมคุณนั่นแหละคือสวะขาโตภควตาธรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคจะทรงแสดงไว้ดีแล้วสันติโกเป็นธรรมที่ผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เอง อาการลโกไม่ประกอบโรยการไม่ขึ้นอยู่โวยการไม่ยึดโยงอยู่โวยการแล้วก็เอปาสิโก ค, คือควรแก่การเชิญชวนชักชวนให้มาพิสูจน์ทดสอบลงมือศึกษาลงมือประพฤติปฏิบัติจนได้สัมผัสผลก็ด้วยโอปานายโกคือน้อมนำมาปฏิบัติ แล้วก็จะสามารถสัมผัสได้ด้วยใจของตัวเองเป็นปัจจตงังเบริตบโบมโยหิบิญุชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะงั้นเจตนาดีแต่ว่าเป็นความคิดที่มองเฉพาะเฉพาะสั้นๆ น, นะฮะระยะสั้นๆทีนี้สมมติว่านะ สมมติว่าพระพุทธเจ้ากเกิดให้ความสำคัญแก่อิทธิปฏิหารขึ้นมาแล้วพระปุทุชนท่านอย่างไงพระปุถุชนที่สืบอายุ ป, ประศาสนากันมาเป็นเวลาถึงสองพันกว่าปีเนี่ยทั้งนานทั้งในด้านการศึกษาการเผยแพร่การปฏิบัติการสัมผัสผลตามกบบาลังความสามารถของท่านแต่ก็ไม่สามารถจะแสดงอิทธิปฏิหารชี้ เป็นเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาได้ก็ทำได้กับเรื่องครั้งครังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เป็นพุทธบนใสยอย่างเราจะเห็นว่าพระที่ดังๆเนี่ยเช่นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆังพรหมรังสีเนี่ยหรือหลวงปู่ทวดเนี่ยโยดังมานานมากและคงดังต่อไปอีกนาน แต่ว่าโดยเฉพาะ<ต>หลวงปู่ทวดเองเราก็ไม่เคยพบตัวคำสอนของท่านรมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นก็พบบ้างแต่ก็ไม่มากเพียนแต่ว่ามันก็เกาะกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่งเอาไว้แต่คนเหล่านั้นก็ไม่หยุดอยู่ตรงนั้นก็มีการพยายามประพฤติปฏิบัติ อย่างน้อยการมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างน้อยนะสังขารนุสติคือตั้งสติระลึกถึงคุณของพระสงค์ผลรูปคับโลกของพระเทรศผู้เท่าทั้งหลายที่ดังๆอย่างนี้มันก็สามารถจะดึงคนไว้ได้กลุ่มหนึ่งแต่ก็มีส่วนดึงเข้าวัดแล้วก็เข้าโบสถ์ ไอสิ่งที่ท่านได้รับผลจริงๆก็คือการปฏิบัติท่านก็เป็นต้นทางที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติแต่ก็จริงก็มีจหนวนน้อ ย, อยนะครูบาอาจารย์ที่ดังๆเราจะพบว่านานจะเกิดขึ้นสักองค์หนึ่ง หรือยังแนวพระอาจารย์ชาว่านองป่าพงหรือพระอาจารย์มั่นปุริทัตตมาหาเทระเนี่ยท่านก็บรภาพไปนานแล้วนะกว่หกสิบกว่าปีแล้วพระอาจารย์มั่นเนี่ยพศสอเก้าสิบสามมนภาพ คนก็ชื่นชมในตัวคําสอนและการปฏิบัติของหลวงปู่ไม่ได้สนใจเรื่องอิทธิปาฏิหาริอะไรของท่านแล้วท่านก็ไม่มีการแสดงอิทธิปาฏิหารเหมือนกันแล้วถ้าเราลองดูว่าจากปฏิปทาของพระเถระทั้งสองรูปเนี่ยคืออาจารย์ชาซึ่งเป็นรุ่นลูกศิษย์กับอาจารย์มั่นซึ่งเป็นรุ่นอาจารย์ ที่ท่านสืบต่อกันมายาวเหยียดปุิทธิตก็แตกกิ่งก้านสาขาไปสร้างวัดสร้างวากันเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะอบรมเรื่องกรรมฐานกระจายกันไปในส่วนต่างๆของโลกอาจารย์ชาก็อยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์เพราะเคยไปอยู่ศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่น แต่ก็ท่านศึ่อาในแนวนี้ในแนวที่เป็นธรรมะปฏิบัติเวลานี้สำนักของท่านจะมีสักกี่ร้อยเลยไม่รู้แต่เกินร้อยแหละแล้วก็จายไปนในส่วนต่างๆของประเทศของโลกเลยกว่จะอยู่ทั่วทั้งทวีปไปแล้วเลยทําไปไปแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามาเทียบกันเนี่ยระดับภิกษุรุ่นหลัง รดบพระสงฆ์รุ่นหลังเราก็จะเห็นว่าธรรมะนั้นมันไม่จำกัดกลุ่มคนแต่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทั้งหลายเนี่ยมันจำกัดที่จำนวนพอจำกัดที่จำนวนมันก็จำกัดที่คนแล้วคนเหล่านั้นรับไปแล้วประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร มันก็กลายไปเป็นจำกัดที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการวางตัวของท่านที่ครอบครองวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ก็แน่นอนในด้านขวัญกำลังใจมันก็เป็นขวัญกำลังใจแต่มันก็อดจะเป็นธุรกิจไม่ได้ อ, อย่างอะไรล่ะพระสมเด็จของ สมเด็จพระพุทธาจยาในราคาโอ้โหน่าดูพูดถึงสิบล้านยี่สิบล้านกันก็ปรากฏว่ามันไม่ลดโลภะมันเพิ่มความโลภขึ้นแล้วก็ของหลวงปู่ทวดก็มีลักษณะยิ่งเช่ น, นเดียวกันยิ่งเก่ายิ่งแพงก็พูดกันเป็นล้านล้านกันแต่ถ้าเรามองธรรมปฏิบัติ จากสายลงปู่มั่นก็ดีสายพระจานชาก็ดีมันก็ไม่มีกาค่ า, ชาใช้จ่ายคนที่สัทธาเลื่องสายก็ไปทำบุญจะทำเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่สรุปว่าไม่ได้คิดเป็นเงินแล้วคนก็สามารถเอาคำสอนต่างๆของท่านมาศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งแน่นอนว่า คำสังสอนเหล่านั้นก็สอดรับกับที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเองอันนี้ก็คือมุมมองของท่านเกวัตตะกับเนื้อหาสารถะของพระพุทธศาสนาจริงๆศาสนาเราไม่ถึงปฏิเสธหรอกเพราะมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ แต่ไม่ให้ความสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ า, ราเราละอาเราอึดอัดเรารังเกียจต่อการแสดงอิทธิฤทธิในลักษณะนั้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งในพระสูตรนี้ได้เชี้ยเห็นว่ามันไปคล้ายคลึงกับไอ้พวกอะไรล่ะพวกวิชาประเภทมานิกา ก็คือรู้ใจ่าใจคนและวิชาที่เรียกว่าคันธารีซึ่งก็เป็นวิชาแบบคนทันออกมาในรูปของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆจริงแต่ว่ามันก็ปะปนกันระหว่างจิงกับเท็จเท็กจริง แล้วมันก็ไปเทียบเคียงกับมายากลอย่างยกตัวอย่างเช่นเอามะม่วงมาขวางดินแล้วก็ปลูกปับเดียวนี่เกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมามีลูกมีกิ่งการสาขาแตกออกไปก็มีลูกปีผลออกมาเห็นกันจะจะนานมาแล้วเคยมีแขกอินเดียนะฮะมาแสดงที่วัด แต่มาก็ไม่ได้ไปดูเพียงแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังเราก็ไม่กระหายที่อยากดูอะไรหรอกเพราะถ้าเขาทำมันก็คือมาอยากกลแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่ฝึกมาเขาก็ทำเขาได้แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์นะฮะว่ามะม่วงนั้นกินได้และกินไม่ได้ตะเก็บผลไปแจก แกก็ทีมาดูมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อหนึ่งที่ท่านเกวตะมุ่งหวังเพราะว่าท่านคิดว่าหากจะมีภิกษุสักรูปหนึ่งเหาะไปในอากาศพึงแสดงปฏิหารต่างๆอย่างหลายๆอย่าง ระหว่างกึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนหมายความว่าแสดงกันเป็นมากรรมเลยนัดกันเลยกึ่งเดือนแสดงครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนแสดงครั้งหนึ่งปีหนึ่งแสดงครั้งหนึ่งอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นแบบมากรหร ม, มาชนก็จะพ่ากันเลื่อมสายยิ่งนักถ้ากอะไรก็เราจะกราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะงั้นข้อที่ตั้งกราบทูลหารือในครั้งแรกก็คือประเด็นนี้ ตีนิฐานะตานะของขั้นเกวตตาเนี่ยคือเรามองเห็นถึงพูดง่ายอินเดียก็คืออินเดียมันวิมานกับกระต๊อบเนี่ยมันอยู่ติดกันหมายความว่าคนที่รวยก็รวยเสื อ, อล้นเลยรวยจริงๆ ร, รวยอินเดียนี่รวยจริงๆแล้วก็รวยปกปิดด้วยนะฮะ อันดับโลกเขาจะมีสักกี่อันดับก็ตามเราบางคราก็ติดนะบางคราก็ไม่ติดโดยเฉพาะอันดับที่ต่าลงมาเช่นยี่สิบยี่สิบอันดับแรกหรือว่าร้อยอันดับแรกเนะี่ยเราไม่ค่อยติดอะ่ะแต่ถ้าไปถึงสองร้อยอันดับแรกก็อาจจะติดแต่อินเดียนี่ก็กติด มันก็ติดอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไอ้คนที่มีทรัพย์นับไม่ได้เนี่ยก็เยอะมากอย่างพวกอนาถบินทิกาเศรษฐีนับได้นะฮะพอนับได้แต่เมรุตะกาเศรษฐีก็ดีตะนันชัยเศรษฐีพ่อขงนางวิสาขาก็ดีเนี่ยมีหลายท่านที่นับไม่ได้ไม่รู้จะนับยังไงมันมาหาศาลเลยเกิน เพราะฉะนั้นก็เวลาพูดถึงกษัตริย์มหาสาลพระมาหาสาลเศรษฐีมาหาสาลก็คนสามกลุ่มนะฮะสามกลุ่มเป็นคนส่วนน้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมากคือเรามองกันในแ ง, ง่ของความจริงถ้าหากว่าการครองชีวิตของท่านเหล่านั้นชื่อสัต์สุจริตคนแต่ละรุ่นนั้นได้ ใช้ความเพียรพยายามในการประกอบสมาชีพแล้วก็ถ่ายทอดสืบมรดกถึงชุนลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นลือนะฮะบางทีถึงเจ็ดชั่วโคตรอย่างเงี้ยเขาก็มีฐานะบางครั้งร่ำรวยมันก็เป็นความชอบทำที่เขาจะได้แต่เราจะไปริษยาไปโจมตีไปกล่าวหาเขาไม่ได้แล้ว คนเราเราจะพบว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำความดีได้แต่จริงๆในรายละเอียดเราก็เลือกเกิดได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เลือกมาเองเทรานั้นที้การเลือกเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเลือก ใช่ว่าคนขี้เกียจยังไงคนทำชั่วยังไงขอเลือกเกิดในสวรรค์ได้อย่างเงี้ยมันก็เกินเหตุเกินผลไปตัวการเลือกเกิดมันเป็นเรื่องของเหตุผลที่ลงตัวจริงๆเราจะพบว่าคนระดับพระโสระบันขึ้นไปนี่เลือกเกิดได้เอาสูงก็ต่ำก็ได้ระดับสวรรค์นนะฮะระดับสวรรค์ น, นี่เอาสูงก็ต่าก็ได้ แต่ถ้าระดับพรมไปแล้วมันลงตัวคือหมายความว่าท่านจะเกิดตามกะมังชานของท่านกะมังชานของท่านสูงท่านก็เปิดพร ม, มโลกชั้นสูงกำมังชานของท่านตา่าก็จะเกิดพร ม, มโลกชั้นตา่าแต่ว่าเป็นพรมแน่นอนิ่มคนที่ยังแขวงอยู่ก็คือคนที่ยังไม่มั่นคงในกุศล ปริมาณของกุศลนกุศลนี้ไม่รู้อะไรมันจะยิ่งมันจะหย่อนกว่ากันแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือก่อนจะดับจิตมันมีกรรมารมณ์กรรมนิมิตตารมณ์คตินิมิตตารมณ์กรรมที่เรากระทำเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามจะปรากฏในในจิตนะฮะปรากฏในจิตจิตคนจวนจะตายนี่ก็จะเห็น แต่คนอื่นไม่เห็นเนาะเขาเขาเป็นเรื่องของใครก็เรื่องคนนั้นก็จะเห็นเห็นกรรมก็ตัวเองทีนี้แต่กรรมนั้นเป็นความชั่วเขาก็ใจไม่สงบละกรรมเหล่านั้นก็ดำรงอยู่นานๆซ้ำซ า, ากแต่เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตัวเองได้กระทาเอาไว้ทั้งนั้นจากนั้นมันก็บงชีถง้ถึงภพถึงคติที่จะไปอุบัต ถ้าหากว่าบาปกรรมเหล่านั้นไม่แรกใจอาจจะกระวัดไปนึกถึงกุศลอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนจะดับที่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมท่านก็มีโอกาสที่จะบังเกิดในสุคติได้แต่ว่าต้นทุนมันต่ำยังไงก็อยู่ได้ไม่นานนะคล้ายๆกับ ก, การเกิดในสวรรค์ของสุนัข อดีตนายโกตัวลิกนั่นเอง ก, ก็เกิดสวรรค์ได้แต่ก็อยู่ไม่ไดนท่านบอกว่าเหมือนเข้าสารก ร, รมือหนึ่งที่คนใส่ไว้ในฉางหลวงเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยก็จะใช้สอยอะไรได้น้อยความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมัน เป็นผลส่วนสำคัญเนี่ยมาจากทานการบริจาคแล้วก็ไม่โจโจงว่าจะต้องบริจาคแก่พระภิกษุนะฮะบริจาคที่ไหนก็ได้ท่านบอกว่ามั่งคั่งสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยความเจริญเพราะมากด้วยพันธะนาน า, นาชนิด จอแจไปด้หมู่มนุษย์สัญจรไปมาดูเหมือนว่าไล่กันไล่เนี่ยจะเสียดสีกันคือแสดงว่าคนก็กระจุกตัวนะฮะคือกระจุกตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะในตัวเมืองใหญ่ใหญ่สมัยโบราณในี่ค่อนข้างชัดนีใกล้ใกกรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยคนข้างนอกมันรอมแหลมคนก็มากระจุกตัวอัดแน่นอยู่ที่ตัวกาแพงเมือง บนการรบสู้กันในสมัยโบราณถ้าเพื่อนปิดล้อมกําแพงเมืองราบรอบทั้งสี่ด้านคนมไม่สามารถข้าออกได้เนี่ยแล้วก็ลําบากแลเพราะว่านาสวนมันอยู่ข้างนอกเมืองแต่คนก็มาอยู่ในเมืองบนคนจนก็กระจุกนะฮะคนคนคนจนก็กระจุกอยู่ในตัวเมืองเพราะว่าทําหากินได้ คนรวยก็กระจายอยู่ในเมืองนั่นแหละเพราะว่ามันก็ปลอดภัยนะอยู่กันมากๆนะีมันก็ปลอดภัยนี่ก็เป็นกฎทางสังคมซึ่งเราก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะว่าเวลานี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละขนาดหลา ย, าลายกันหล้เบียดกันคือถ้าเราไปอินเดียอะไรมันจะจริงเลยนะ อ, อินเดียในการถนนมันแน่นไปหมดเลยเดินยากมากรถก็ขับมาจักรยานก็มีรถยนต์ก็มีรถเก๋งก็มีรถเมย์ก็มีคนก็เดินหมาก็เดินโคก็เดินโอ้สนุกไปที่กันกาตาทีเดียวก็รู้รถแล้วว่าแน่นอย่างเงี้ยคืออินเดียแหละแล้วก็บอกว่า จใจด้วยหมู่มนุษย์สัญจรไปมาดูเหมือนว่าไหลกันไหลจะเสียจสีกันก็ก็จัดไว้ในตำแหน่งของเครื่องบดีที่มีทรัพย์สมบัติมากทีนี้พูดถึงก็เรียกว่าธรรมะอันยิ่งยวดในที่นี้ท่านเน้นไปที่ทธิปาฏิหารแต่ว่า วัวสาเหตุจริงๆเนี่ยมันคือกุศลกรรมบทสิบประการซึ่งความเราสังเกตนะฮะกุศลกรรมบทสิบประการเนี่ยเราก็เจอบ่อยเพราะว่าถ้ามันสมบูรณ์ทั้งกายทั้งวาจาใจตามที่ท่านแสดงไว้ในกุศลกรรมบทสิบมันก็จบแล้ ว, วนะเพราะมันก็เท่านั้นเองอ่ะเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว ก็เพราะแรงดันของกิเลสประเภทราคาโะโลภโทสะโมหะเราทำดีพูดดีคิดดีมันก็เป็นแรงดันของกุศลที่ปรุงจิตในขณะนั้นนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราไม่แสดงธรรมอย่างนี้หมายความว่าไม่แสดงธรรมตาม วิธีคิดของท่านเกวัตตะทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ในเรื่องของราชกษัตริเศรษฐีจึงสัตย์คำเป็นต้นว่าเราไม่แสดงอย่างนี้พระพุทมเจ้าสัตว์ว่าเราไม่ทำลายโดยให้คุณธรรมพินาศไปเลือถึงการทำลายแล้วก็ลดฐานะลงเป็นคนก็คล้ายๆแสดงปาเหี ตั้งอยู่ในฐานะต่ำโดยลำดับโดยที่แท้เราก็หวังความเจริญของพระพุทธศาสนาการเจริญพุทธศาสนามันก็อยู่ที่การศึกษาการประพฤติธปฏิบัติการสัมผัสผลและการเผยแผ่แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาศา ส, สนา ซึ่งก็คงอยู่ในกองของสีละขันันประเสริฐกองสมาธิขันันประเสริฐและกองของปัญญาขันันประเสริฐนั่นเองตรงนี้แน่นอนมันมีไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่ามันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำให้สมบูรณ์ในกุศลธรรมหมายความถ้าเหตุเป็นอย่างนั้นผลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่เมื่อเราไม่ได้สร้างเหตุเราปรารถนาเจ้าพอผลมันก็ในการดูสนุกสนานกันแล้วก็กลับบ้านมันขาดสาระประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในฐานะของศาสนาคล้ายๆกับเข้าป่าเพื่อจะหาแก่นไม้แล้วก็ไปถากเอากระพีไม้เข้ามา ราคาครั้งงวดมันคุมีบ้างไงนะแต่ไม่คุ้มค่าที่เข้าป่าเข้ า, ขาไปกลับได้ของที่มีราคาไม่คุ้มออกมาทัา น, นธรรมะปฏิบัติจึงมุ่งขัดเกลาเป็นหลักแต่ว่าสิทธิในการคิดนั้นท่านจะคิดยังไงก็ตามท่านก็คิดถูกนั่นแหละแต่วันถูกระดับหนึ่งแล้วไม่ทำให้พศาะ ส, ะสนายั่งยืนหรอก ถ้าเล่นแต่ครึ่งขังขัอิติริศักดิ์ศิธิ์ก่นเพราะว่ามันมีวิชาอย่างอื่นที่คล้ายครึ่งกันอยู่เยอะในเรื่องเหล่านั้นแต่ธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสัจธรรมชีอไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหรือศาสนาก็ให้ความสงคัญแก่เรื่องเหล่านีน้ทั้งฝั่งตัวหลาย เสียงธรรมจากหมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมู่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี